เ้าธนาคารสามแสนบาทฉันเนี่ยนไม่เก่าเลยนะขนาดไปนู่นก็คือห้าลานนี่ยแต่ยันมารัมหายได้สามแสนนั่นก็ใส่ข่าวเลยเนี่ยแต่ข่าวลอนี่ยก็มีประโยชน์กับคนบางคนบางน่านมีหลายคนเชื่อมมีประโยชน์เลยลือไปหนักกูสมยังไม่มีประโยชน์นะครับก็มีคงเขาเชื่อนี่แหละแลวก็ประโยชนใหญ่ที่ว่าคนออกข่าวลยมาลอ คนเชื่อข่าวลงมาเลิกโอ้โหประโยชนใหญ่แล้วลูกหลานที่ฟังข่าวจากหลวงพ่อเนี่ยก็ลงลงลึกจนน้ำหน้าลงมาแล้กแหมลูกไี่ให้เล่าสะกทีแต่ยําได้ลงสิให้ฟังโอ้าข่าวประเพณีแม่พระเจ้าก็มีใช่ไหมพราะงี้เรื่องการก็ไมจะเล่าให้ฟังมาเยากเยอพุตะไปสัตตามความรู้อะไรก็ไม่ฉนไม่ไม่สวยใครทั้งห ฉันไม่คนอยาไม่ใช่คนอยากได้เงินจะอยากรู้แบงก์โอ้แม่ได้จะอยากรู้อ่าเขาทำบุญพลังหลาวันให้จบหมดเลยอถ้าเวลาเข้ามาคาราไม่ตรงตามมาทีฉันต้องมีคนมยโอ้าอะไรมครันถือว่าเงินทุกย่งให้ทุกดับทุกราเป็นเงินได้มาจาารเหนื่อยยากเพราะว่าการอุทก็ทำพุทธบูชาบูชาสงบูชา ถ้าทราบไปทังนอนเวทีเยอะแค่ไหนลงเต็มแ้่ตอนทีะไปมันก็หลับลืมแล้วนะอยากไปยุ่งกไปใแห้ต่อไม่ไงๆยุ่กันหน้าจีกเลยเพราว่าเขาทราบว่าข่าวเรื่อไม่ทราบประมาณมาจากไหนเขารู้ว่าคนให้ยาฉันยังโตไปเลย ก็การยิงเลิยาในที่เลาไปในสมุนไพรเฉพะปวยขอเฉาะป่วยนะถ้ามกหมตาตาเลไม่ชอบมันก็ป่วยแบบเล่าเพราะเทาน้หดนก็ไ่ใช่เรื่องถ้าเราเป็นสตูันมันไม่อายมากเจ้ามันใบหน่อยจะ้สใจกัไ้เราะเรื่องยาเนี่ยถ้าหมอให้ยามาถ้าฉันเือนโดยยาไม่ใช่อะไรถ้าไม่ฉงก็จะฉงไม่ฉง แล้กระบวนการนี mm. Luckily, ้ก so so ่อนที oh, no. sure. right sure. ่หมอจะให้ยาเขาจะามเืองกรเจ้าก่อนให้ยาอะไรถ้ายาขนานั้นไม้รับรองก็ดีถ้านรัรไม่ดีรับรองนไม่ันั้นฉันไม่ฉันโ้ก็รับรองก็โกนนะท่านบอกมาทาดได้คุณภาพังต้งตึงตามนั้นแล้วก็ฉันดังดันฉันน้อยไปก็สไม่หลักคุณบอกเสื่อมนิด ดางบันบกต่อฉันท่านนี่ายายคนท่าสองวันนั่นอะไรก็งว่าคนที่ออกข่าวจะเป็นคนเลวจะไม่เชื่อใครจะเชื่อจนเลวจไม่ใช่อคนเลวพระจะได้มาถามอย่างฉันก็จะเปิดหัวนะ่รู้หมาช่ๆานอาจารย์จะจะเมื่อต้นใค การเนี่ยอไม่ยครับไม่คเรนเอื้องอ่ากําลังรี้งนะเรื่องมสงหาิตเาไหน้าท่าซุ่มพิธข้าท่าซุ่มอ๋อเอาเหมือนกันอย่างนี้ก็อได้เพราะอะไอ๋อเล่ามาสลพิธีอ่าใช่เล่าโยงฟังนะพได้ราก็ข่าวอย่างนี้หลายหลายเรื่องมหลายเรื่องคิดว่าถ้าอนี้ถ้าไม่พูดญาติโยงก็จะเสื่อมไป มันนาจะใส่ตรงไปข้างใช่ไหมแ้วก็คนที่ิญยามจะลงมาว่าถ้าไม่ยับยั้งจะลงมาแค่นี้นะใหคนที่เชื่อแล้วก็วิญญาณจำด้วยนะเพราขาดูไม่จริงเพราะอะไรนะถ้าตามกันไปหลายคนแลยแล้วมามาดห็พมกระวนมากระวก็ไม่ขึ้นขาไม่ไหวก็ว่ยื้อลูกดีๆขัาวเปาไปด้วย ให้ดูเขาดูม้ความเชื่อเราก็เชื่อว่าเขาดีใช่ไหมไม่ว่าคนนั้นเขาดีในเชื่อเขาดี่ก็เลยไปเลยยาจ้าไม่ให้ไปไม่ได้นะครับทำไมเพราะยาเว้นแฉลบเยอะเลยที่เชื่อหมดไอ้คนเียวเขาใส่ไตแสบหมดก็แสบหมดจ้าไม่ได้แบบไทยทุกเส้นเลยทุกเลยอาจจะตายไป เน่ตรงนู้นด uh ูเอไม่สดสุดไม่เป็นไรครับถอว่าคุยจะไปสร้งถานแล้งกับทุกข์ำลงปุกไอาจดจังด้วยนะเดี๋วก็ลงพ่อเนี่ยจะไปแอกไม่ได้เลยนะมางน้เะตรงนยอะตนั้มันูออุ่าาา ได้ดีดวงดีอรายการนี้ไปต่อรายการหมากครับได้สวยครับคือย่างนี้ผมผมมีเรื่องยืนยันเมืวันมาค่ะเนี่ยเล่าเล่านี้ดีดูนะกอบว่าคนไหนที่ไปตอแยระลากลวงหัวข้อแล้วก็ก็มีเหตุดูอย่างนี้ เวลาหลัวเหนื่อยก็ลาขอมีกหละขณะที่ลงพ่อไปสันเพนผมยังไม่ลงลวลาดนะเมื่อวานนะเนี่ยในผมมั่อคืนตัวเนี่ยตอนนี้ผมกาลังรับประทานกินข้าวอยู่ที่ร้านแม่กุนตีอ่ะสองอย่างครับสองอย่างครับก็อามอย่างครับแล้วรับประทานกินข้าวสอย่างครับ้รับประทานกินแต่่าสามอย่างได้ลงล่างก็รงได้ตนนี้ก็ ลาอบอว่ า, อาท่านคุณหนุ่มเล่าใฟังบอกว่าข้าราชการอยู่ตำแหน่งไม่เบานะจากลูกเฟสจะย้ายไปอยู่ที่อุทัยธานีเพื่อนก็เลยแนะนำบอกว่าเอาวนนี้สิมาไปอุทัยธานีนะมีหลวงพ่อเจ๋งๆ่ยงหรือวัดภ้าชุนอย่างงั้นให้เขาคุณกับคุณท่าครับก็นี้บอกว่าใอย่างนั้นเจอกันดีไม่ต้อ ง, งเจอดีถ้าเจอก็อ้วนและหน้าดูแลพ่อไปที่วัด้าวซุนจริงๆพอกถึงเขาาดไม่ถานเลยช้านะ มันแน่จริงนะผมเข้าไปนะจะต้องจับมือจะต้องเรียจะต้องเชิญไปส่นถ้าไม่เชิญไม่แน่จริงลาสดว่าไม่เชิญไม่เรียไม่จับไมมองแขนคล้ายจะมาต้งนึกในใจว่านี่พูดไ้นไม่บาปนะผมใส่ก็ต้องเปกสั่งสอนก็แล้วพูดแค่นั้นเท่านั้นเองลาสดมีแม่ทีก็มีตัวเล็กๆดำๆมันกาลังกวาดอะไรอยู่ใกล้ๆนั้นนะเช็ดในใจนะ ไนคืนเมื่อกวาลัวก็เลียงใจเยอะอยากิชอย่างนั้นนะมันบาปแต่ก็้อทิ้งเร็วานที่จะเชื่อรถทนี่ยอนแพ้ล้แสะบัดหน้าจับท่านแม่จรงนะผมเารู้แน่จริงนะผมออกไปนี่ขับรถเข้มัดนะราางแตกผลปลาสดว่าย้นกันเส้น้งงานที่จะยอนแพ้ยง ย่งพอดีต้องต้องยง่ยั ง, ยงมีทางอยอ่างาบแพูดออกมาเลยนะฉันแม่จริงนะต้องให้หมาบ้ากัดผมอที่ดเดนหะม <c oughs> <c oughs> แล้วาไม่ามันยากจากไหนครับพอดวัดไปแค่นั้นเองน้ำลายพุ่มเลย <c oughs> แล้วก็ต้องไปเาโรงพยาบาลแล้วปัจจุบันนี้จะอนะปัจจุบันนี้นะอบอกว่า ไม่รู้จะท้าไงต่อไปแล้วนี่นี่ขนาดคนตรงั้นนะเอาใหม่ดิไม่นำไปไม่นำมาเขครับเจ้าท่านแม่จินขอผุ้งกายต่อนยุไข่โอ้แค่จะก็ทาใหม่นะทาท่าท่าท่านี่เป็นก็ยังเป็นลหายนะฮะยงไม่หายนะให้เจาท่านแม่จีนขอผุ้ายต่อในยุไข่ด้วยเง้โอ้นี่แหละครับ เพราะฉั้นก็ผมก็ได้เคยบอกคณะทั้งหลายว่ายังไงต้องลับทางเป็นประจำยกตัวอย่างยายยายายาอาจรย์วัดเขาสร้างดีแล้วแล้วข้าวไรแล้วาวเป็นลอยล้าจะสอบทางหมดกี่โต๊ะพี่ตั้งโอ้ยโผล่มันก็มันก็จะมีอะไรไม่จะได้นอนได้ดีไหมเลยมีเขาเรียกของวัดแต่คนเนี้ย จะพอลงงัดนวทางน่ะไ้วกันคือปกตินแล้วคือขอก็มาอย่างผมี่เรกไบ้ต้องขอเป็นประจำเลยเพาว่าต้หลวงพ่อนี่ก็ติดเหมือนดาบสองมอะฮะดีก็ถูกหมดที่ข้าศึกมาใ้ตายาดตาใช่ใข้ากไม่มาดินดีข้าเจ้าตาย อ่านในข่าวสังเกตเล่าผมให้ให้ทราบชัดเจนว่าแกเหงาเรื่องแก้เหงาเป็นอย่างนี้อ้าวไปนี้ก็มาเข้าเรื่องไม่ต้องเหงากเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่งกระผมไป็บนพระสี่องค์วัดพระศุลกาหายจากโลกประสาทเมื่อไหร่กระผมจะบวชเรียนถวายให้หนึ่งองค์มาบันนี้พี่สาวของกรผมหายเป็นปกติกดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชแต่ว่าบังเอิญว่าได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะบวชอะไรเดือน มีนาหรือไม่เอสงการนะสงการผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยตั้งใจว่าจะนําของและปัจจัยเข้าร่วมสมทบซึ่งในการบวชครั้งนี้เรียนถามหลวงพ่อว่าสักประมาณองค์ละเท่าไรการแก้บนจริงจัดสมบูรณ์แบบกว่าระห้าพันดานะเอ้ละพันอ๋อนั้นเองเหรถ้าแก้บนก็ประมาห้าพันถ้าแก้ล่างสามพัน แกบนห้าพันแกล่างสามพันนะยิ่งได้บนล่างอย่างเงี้ัผมไล้กินเยอะจนปรอสาทก็ถ้าใจไม่อเแล้วนี่ก็ามพันนะทุกคำดีทุกเสือ ถ้าไกลใจว่าหกเจร้อยเดือนอะไนี้ยครบแล้วก็ไอความเป็ n อยู่ของพระอ่านการกินก็ต่อที่ต้ใช้อีกนะหกเจ็ดอยโชาท่านแล้วมอยู่ในนี้ครับพระันก็ต่อวันทุงไม่ยนะถามว่าแบบทำเยอก็พอหานเดียวแต่ว่าวาครั้งนะนเดียวนะ่งได้ไที่้โอ้โหยุ่งเลยรอดไปได้นะ สามก็เป็นนันว่าระมาณสักหนึ่งพันนะ ก, ก็กลบาปในปั้ฝากลาเท้าหลวงพ่อจะกรลบอย่างสูงลูกอยู่บ้านเลขที่สองสองทับสี่ที่เจ็ด้วยฝัมงมาเป็นเวลาอิปปีเศษ็แล้วยังไม่เคยทำบุญบ้านเลยวันนี้ลูกมาหาหลวงพ่อก็โดยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าลูกถวายสังฆ ท, ทานที่ซอยสายลม แทนการนิมนต์พระมาตรวจมาถันที่บ้าน <c oughs> จะทําให้ผีทุกระดับชั้นภายในบ้านโมตนาและช่วยเหลือลูกต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่เจ้าคะต้องเดาเขาโมต น, นมานะโอเขาได้เลยในผลเท่ากันสังฆทานเหมือนกันขอสังฆทานเหมือนกันนะเพราะว่าสังฆทานที่บ้านยุ่งมากไ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เลยที่บนจะรบตัวเลยจะจะทำไมจึงจระเข้ละไอ้ล้ม่าดไอ้ดิ้งเหม่อนนี้เขาต้องทำให้ชอบใจจิตใจเงินหรือไง ทำีปเราสงสังขานเหมือนกันที่แต่นพรามมันท่าไปก็สังขฐานนบตอนนี้จะสังทานเพะยังยังไม่ได้ไปทงบุญเลยเพื่อล้วรู้สึกจะลงทุนไม่เท่ามากนะไม่มาเจอเนี่ยสังขทานด้ยิ่งสบายใหญ่เลยร้อยเดียวก็ไปได้ใช่ใช่กบบบบไปนั้นก็ถ้าจะทำบุญบ้านไม่สะดวกนะแต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อทาแล้วบอกให้ผีด้เทวดาที่บ้านจะโฆษาด้วยทั้งหดติ่งสำัญต้ไปบอกนะ แล้วก่อนมีเทวดาผู้ชายก็ไม่ได้รักเราไม e ยั่ไม่เข้ารู้ตัวเลยเพนาะว่าเทวดาผูชายคนหนึ่งมันบอกว่าผมแค่จะแห้งจรังมาถึว่าแปะแปดแห้งแห้งห้ อั children, ้ยู่ในพัฒนาการนะคุณมองอัน oh, ีจีน่จเ็นได้จะรู้ว่าเขาเปนยงไงบ้างคืออะไรคือจะทำาะได้ยอ้รู้เดียวก็ได้จะรู้เดียวก็ได้ก็อมาไม่รู้ทำไมครับกรรู้เรืองโอ้รู้ใช่ขไดการอย่างนั้นก็ใช้ปลาแห้งเส้นรวมาในสัดทานด้วยก็อ่าจะถูกต้องประกาศหลวงพ่อจะรัก เพระหนงึงไปที่วัดข้าวตุงขณะที่เดินบัางวิ่งบั้งเล่นบั้งแล้วก็ปารากฏว่าอารมณ์จิตไปจับอยู่ที่เขาวิหารแก้วร้อยเมตรแค่เดียวเท่านั้นเองก็ปารากฏว่าก็ไม่สามารถขึ้นไปที่เมืองพระนิพานเข้าวิมานตัวเองได้ที่จะเรียนสามก็คือว่าอารมณ์ที่ไปอย่างนี้เป็นอุ ป, ปจารสมาธิหรือเป็นฌานสี่ขรัก ไอ้นั่นเป็นฌานสื่อแจวพยาด้วยนะใหญ่มากนะคนไม่เคยได้มาก่อนเ่ยโอใช่ก่าได้มาก่อนเป็นฌานสื่อแจวพญาด้วยเขาไม่ได้นมะนแม่อะไรไม่จำเป็นของเก่าครับจิตใจจับว่ามันเป็นสมาธิโอ้ไม่รานจะเกิดขึ้เขาะวางสมาธิไม่รู้ไปยุ่มาจิตจเป็นเหนื่ยเรามาตรงใจรมือเดียวก็เป็นานฌาไม่ยากเขาต้องใจนะลาเข การเึืนไมได้านเตารียาู้ได้ทานสี่พันคนจะได้จะได้รักษาสารนั่นไม่แน่นะอาจาระเหทอครับคนได้ทานสี่พันคนกะได้จะได้ริกาสารเจ้าคนเงินกระแสนี่ที่เข้าเตารียาจะไปได้เตารญยาของเขาชยู่มากนะแล้วจริงว่วิหารเจ้าร้อมันแปลกนะรู้สึกว่าคนตาแต่ละคนได้ประสบกามณสําเร็จหลายหลายคนแล้ว ลงไล่ลงเลยหลวงพ่อลงยันลงเลขอะไรกันรู้เปล่ากระจไยงเเลขไม่ยงยันยันยังไงเอเสาถ้ามันมเสามเเสายัน้นโอทั้งหมด้หรอ้นทั้งหมดออกไปแล้ว บจ้าสอนนะถ้าเป็นนี่แม่ลูกพ่อจะตอบติบเราต้องวัยวัยที่ตอปไม่ได้วันที่ที่เขาเปลี่ยนฐานที่หลัาด้วยน่าจะตอบไปนานว่าคนบุญของคนนี้นะแหมขนาดวิ่งเอ๊ะแปลนะเป็นที่วิ่งยิงอย่างงี้ไม่น่าจะได้สมาธิง่ายๆได้บายเลยโดยดูน่มันเป็นจนคนเนียจนคนไมดเดิน จงโกลไม่สสุกทีแรกเดิเบาๆแต่มาเดินธรรมดามาเท่ี่ให้จุดชเต้าที่เรี่าขนาที่เขาเอยู่จิตเขาจับที่มีหายแก่อจิตประจักรอารมณ์เดียวไม่เป็นจงโอย่างนักอย่างสูงอย่างเบาเพราะแสงว่าใชก่อนเคยได้มาแล้วของนี้ของตอย่างกาลูกหลานก็ฝโนที่ซอยไสโลมีส่วนมากที่ได้ไวเพราะของของไตนี่ขงให้ไม่ได้ คนผูใหม่ก็ต้อยแสนชาติโอ้โหนี่มัมจริงนะแต่อพถ้าเราได้ ท, ที่นี้ผ่านในแสนชาติแน่แน่อ๋อนี่ตัดเส้นบอกว่าโอ้โนี่ลูกชายคนจะภูมิใจนะโอ้โหเราเคยได้แต่ไม่ได้เลยโมกนาสาุกุลปาเท้าหลวงพ่อจิตรลักษณ์จังสูงลูกมีเรื่องร้อนใจที่จะต้องทุ่งหลวงพ่อเพียงครั้งเดียวในช<ห>ีนนาวาิเวตเดีวค่ะ รูได้ไปไปบนท่านพราวิรันลูจีที่โรงพยาบาลมงกุดไว้ว่าถ้าหากว่าสำเร็จแล้วจะบนด้วยขนุนเป็นซี่ปลุกเือเลยอิรันลูจีก็ย่เยงใหญ่เลียนใหญ่เหรอวิรันลูจีนะแล้วแล้วไอเว้ที่ผลังยังไงนะไม่น่าจะลงจริงไปเชืาดินบาด ถ, ถึงที่นั่น ภาพญัตโนจีนโอ้จริงจริงอยู่นั่นเหรอครับอยู่ตรงใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในวงว่าน้องเป็นบาที่นี่โนนญัตโนจีนนะาล้วที่มองโกน่ะเรื่องรูสวยโอ้ยจำนะแค่จตัวเดียวนึงนะใคนละคนละเเลยอ๋อเอาหลานฮูยงลงดูด้วยฮะอ้อนุภูบนะในเวลาเข้าทรงลำสวยอย่างอตนนี้อตฮูเนี่ย อ่าได้บนได้แค so like ่ค hmm. so yeah. ือว่าบนสุดเร็จเรียบร้อยแล้วก็หาขนุนที่เป็นที่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลูกก็ตั้งใจว่าจะเอาซื้อขนุนที่ก็แกะเรียบร้อยแล้วไปไปเป็นการแก้บนสวายไม่ทราบว่าจะเสียปัจจารุต่าวขอให้หลวงพ่อช่วยติดต่อโอ้หสิการให้ดูสักระ้ังเกิดจะบนก็เลยขนุนลูกใช่ไหมราบลาบแล้วก็หาขนุนที่เป็นลูกก็ได้น่าจะสั่งขึ้นอ๋อ ท่ยืนท่านมายืนยไม่บอกูกเต้องเลอกที่รันฮูจีนะทีรันฮูจีรันฮูจีก็าบอกว่าถ้าเป็นเดวดาท่านจะทรงมหาราชโทษยังไงคนเป็นการนั้นถ้าหาไม่ได้คนจะสั่งเขาเป็นลูกมันช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าลูกจ้องนลูกขอเมื่อพูดคาไหนก็ต้องใช่ใช่เทกันมานดที่เดียว แว่าที่เราอยู่ท่ะ บ, บา ท, ที่มันเใหญ่ไม่บางบ้านย <c oughs> โอ้ยนี่ยืนยันต้องไม่ใช่เลยนะไหนเทวดา ท, าที่ตาที่นะพูดปับมาปุ๊บเลยนะ <c oughs> ไอ้ี่ขอหวยจะตายไม่มาเขาายไม่อยาก <c oughs> ม, มาด้วยกันบอกโซจินให้โอ้หน่าเรายกตรงทุกินทุกงวดเนะอ่าแล้วก็จะขาม เ, เรียนถามนิดเดียวคือว่าวันอาทิตย์ที่สี่มีนาคมนี้ขึ้นเก้าข้ามจนสี ลูกอยากจะทาพิธีเท่เข้าขึ้นบ้านใหม่ไม่ทราบว่าจะดีหรือไม่ถ้าหากอันไหนดีกว่าขอหลวงพ่อแนะนำเถิดโล ก, กินดีทำตามทุกอย่างทุประการนะเจ้าค่ะ <c oughs> มนะะมีเกียร์นนะครับมีเกียรอันไหนดีมีเกียรนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เท่าทาได้หรือยังไงดีห่อดูนี่ต้องดีเวลาขึ้นไปพยายามยิ้มไว้จะรุ่งโอ้หน้ายิ้มเลยราคาแพง หน้าพุทธราคาเทียนที่ิชาตทุ้าพุทธใชไหมับวันทิตนจตทิตเนิคือตอาทิตนมิจฉคือวันจันทร์ขนจูหูพุทธลงยาวถูกปะขวั้งขานรักเอาแล้วก็เาหูกระสาวเป็นไม่ใช่กระทู่กระสาวเป็นมิจัอะไรนะกระทู่กระทูเไม่กระทู่ไงไอ้โห่าสาแอเลย เขาได้เนาได้เราไปใช้ได้นะเพราว่าชูดไต่ขึนมาเขาผ่านเทวดาเขาเขาไม่ใส่ช่องเขาเป็นยุดเตือไต่ขึ้มาในใจเนี่ยเขาจะลึกถางเขาเขามีอะไรบ้างไหมเขาไม่ใส้ช่องมีอะไรนี่กก็น่ายินใจนะลูกชานจะได้ดีใจดีตาหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ลูกชายมาถวายสังฆทานชุดละหนึ่งพันบาทเมื่อพิสูจน์กุศลให้แก่คุณแม่ ผู้ตายด้วยอุปัติเหตุคือรถชน <c oughs> อย่างนี้คุณแม่จะมีทางมารับได้หรือไม่หรือมีวิธีดีกว่านี้อีกเพื่อเป็นการกระตันยูกตเวศีขอหลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยที่แนะลูกกระสังเสริมทางปัญหาเขต้องส่งมาใช่ไหมขาดวันนี้วันเนี้ยส่งมาวันที่ใช่ไหมขาดเ อ, อถามเขาด้วว่าแม่เขาลุกหลาเป็นไงขาวรถยนต์เขาไม่อ้วนต้องใชมโอนแล้วอ๋อ ไม่เห็นเยูกบัตนี่และัมโนเห็นตั้งมณีเลยแล้วนี่รตั้งใจให้คนเดียวนะให้เขาคนเดียวโดยที่เขาออกชื่อให้คนเดียวนี่ไม่ทราบแต่อาจจะเรีก่จับองจับคุทักษ์ไปจัจงเลยไมคราบนะทว่าคุิทักษ์อะไรกันนะลุงพ่อเจ้าขาลูกซื้อที่ดินตั้งใจว่าจะปลูกบ้านใหม่แต่บังเอมีต้นกังปูใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จะต้องจาไปจะต้องตัดต้นไม้นี้จริงทีนี้วิธีที่จะตัดในรูปเพลงว่าจะไปจะพาะกระเทือนประเทวดาอยากเรียนถามลูกพ่อว่าเรามีวิธีจะพูดจะบ่นจะบ่นยังไงเพื่อให้เทวดาท่านโอโหติกไม่มีโทษมีเวรมีภัยต่อไปก็เอางี้ดีเลยนดีดีนะเทวดาเจ้าพระเทวดาเจ้าคายผลงานฉันเถิดตามมีตามเกิดตกตามที่อย่างหลังเจ้าข้า ขอปรูกต้นไเลยท่านเล็กๆท่านพูเล็กๆว่าได้ไจะไอ๋อท่านเจาพระท่านเจ้าขาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไ่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ตฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าน่า่า่า เปนการแทนว่าการเปนต้องจบด้านทีหลังตรงนี้มันต้นไม้สางขี้ใช่ไหมใช่ใช่เราเมื่อเราโค่นลงใปวิบานทึงก็สลายตัวถ้าเราปักเสาเอาเอาเสาสามพุทธเดาเสาได้กันที่มันแค่แปะได้ใช่ไหมแทนเนการแทนขอพระคุณไป็อยากสูงเจ้าค่ะอือขาขอคุณไม่ขอตอบใช่ไหมขาาครับไมหน้าตอบ้าหลวงพ่อเจ้าขา ลูกอยากจะทราบว่าไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมอะไรเกิดมาในชาตินี้รู้สึกก็ไม่เคยมีมีความเข้มแข็งในดวงจิตเลยให้ทาถาก็ไม่แข็งเอ่อมาทําบุญหลวงพ่อก็ไม่เข้มเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าวิเทศฝึกให้จิตใจเข้มแข็งเพื่อพระนิพพานชาตินี้ลูกควรจะฝึกด้วยวิธีไหนใช้บัตรปฏิบัติบุญต้นไปให้เบ้าเร้อนเหล็ก เหลือลูกินต่อไปใจจะแข็งเรื่องกายเขาจะให้กินเหล็กนั่นเหลอกินเหล็กเพื่อต้งแข็งโอ้โหเฮทางน้เหล็กกินไม่ไหวนะลากินชิ้เหล็กก่อนของแกงชิ้นเหล็กรอดได้นะทางนี้ค่อยๆดีค่อยๆนะค่อยๆคิดใช้เวลาไมน้อย เราทำรมต้งกาสมาธิใช่ไหมเวลาที่หนึ่งถึงสิบเราจะภาวนาให้สงอถ้าวงไม่ถึงสิจภาวนาไม่สงไม่นคิดก่อนเลิกก็ตั้งตนใหม่พอ ถ, ถูกสิกเราควรเลิกเอาแคินี้พอใช่ได้ไม่ท่าก็ชินชุนก็จัดจากหนึง่<อ>งไปถึงเจ็ดก็ได้อ้ขบนกเป็นงานนะหลวงพ่อจะถาบ้านเดิมของลูกอยู่ที่จังหวัดนครราชสีธรรมราชอําเภอเมือง ถนนท่าโพเลขที่1786ทับเจ็ดและเอทเออคือที่บ้านนี้ลูกอยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณพ่อท่านอยู่บางเอิญมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าที่บ่อน้ําใกล้บ้านคุณพ่อท่านสร้างต่อเติมไปไปปิดบังปัจจุบันนี้คุณเจ็บได้ได้ป่วยไม่สบายไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะสิ่งศกดิ์สิทธิามที่แห่งนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามนี้จริงก็ขอปางปรินานไม่ตาหลวงพ่อช่วยแนะนํา เือเปนกายชงเพราะคุณพ่อของลูกจะเหินัใครไ้บางนีแบบมันเป็นบ่อน้าแล้วก็ไปต่อเติมบ้านไปยปบกษตปากไอ้ปากบ่ออะไรน้อะไรเนียเขาเกิดความเดือดร้อน่ไไม่ใช่นะในาเจอตุที่เาบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวโไม่เกี่ยวใช่เาอย่างนั้นก็อย่างนั้นที่เได้วดเรื่ององแบบฉันนะคบฉันคุณพ่อก็เป็นไิดอะไรไม่ได้กันอะไรก็ป่วยเนี่ยติดัติดติดอะไรกับพ่อครับฉัน อ้าวต้องจะบองติดเหรอฮะโอ้โหยอดจริงๆทำไมมีจนเลยนะไปได้ทุกครั้งเลยนะหลวงพ่อจะหาเพื่อนคนหนึ่งไม่มีโอกาสมาทําบุญที่ซอยสายลมเพราะกิจสิจุรัมากแนะนําเลยรูปแนะนําให้เขาใส่บาทพิจุรัติโยเอาบาทรกก็ใบหนึ่งเขาใส่วันละประมาณยี่สิบสามสิบาทสี่สิบาทเดือนหนึ่งยังน้อยน้อยก็ห้าร้อยบาทเป็นต้นไป ฝากลูกมาถวายหลวงพ่อที่ซอสายลมเขาให้ตะเอฝ า, าพมาเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่ได้มาได้ตนเองไม่ได้ถวายหลวงพ่อกับไม้กักมืออย่างนี้จะมีอานิสงส์สมบูรณ์แบบหรือไม่เจ้าคะ ไม่ถ้าไม่มาเองดีกว่าเนี่ยถ้ามาเองถวายกับไม่เนี่ยแค่สงสัยโอ้เราที่ผลลัยประเจนนะฝากไปบุกช่องโอ้ยังนั่งจะมาเลยถ้ามาระมือไม่เป็นไรจะมากรเจอแปลกๆเลยยุ่งเลยนะแต่ผลลัยปรเจนนั้นไม่เป็นไรนะจะฝาเข้าไปหรืออะไราไปประทาได้ไหมได้อ๋อครับ รลวงพ่อจะผ่าเมื่อวันที่7มีนาคมตกนี้หมอจะผ่าตัดลูกด้วยก็เป็นเนื้องอกลูกไม่อยากจะผ่าตัดเลยเพราะกลัวตายแต่ก็ไม่เจินตัวแล้ว อคือลูกอยากจะถามหลวงพ่ออย่างที่ว่าก่อนที่เขาจะลงมือผ่าตัดลูกควรจะทําอารมณ์พระกรรมฐานแบบไหนนี่คือตายตอนนั้นจะได้ไปสุดกระถางถ้าไม่ถึงก็ไม่จะเจ้าหรืถ้าถึงก็รู้กนได้ยังไงก็ยังไม่ตายคเนี้ยพราะทำไมยังไม่ตายพ่อเขายังมีเวลาตายโอ้คนยังไม่ถึงเวลานี้ไม่ไม่ตายเหรอไม่ตายให้เวลาตายคือเวลาไม่ห้ใจอ นี่า่าตัดอีกสักสามครั้งก็ยังไม่ตายนะคนนี้นะครับผ่าตัดแต่ว่าเขาต้องการลกรรมฐานน่ะดีนะพุทโธก็เลยสั่งต้อส่งนะอันนี้ง่ายดีนะแต่หาว่าได้มันงวิธีจัดพะทิพานธ์เราต้บริพานธ์เลยตอบริพัน์ดีดีนะได้ยังไงเขาบอว่าคือว่าหมอไปทำพันธ์ทั้งหมดเวลาทั้งหมดไดยี่สิบแครั้งแล้วควรต้องเจาะต้องอะไรต้องนะเขาเนี่ยกลัวตัวเสียวพราะว่าเปิดบริพันธ์หมอต้องลเอียกเวลาเลิก ไม่รู้สุกจนข้าง้างหมันรู้สึกว่าจะเสียก็เริ่มเสียก็ริบเห็นแล้วดแสเลยน้องก็ทาไปตั้งแต่สองโมงครึเช้าถึงห้าโมงสิบห้านาทีรู้จึงรู้ติดตัวว่าทำเหมือเจเล่มองถามว่าเจ็บไหมบอกพราะถามว่าเจ็บไหมคุณไป ถ้าถามว่าเจ็บไหมก็กนยาม่เจ็นะแต่เราคิดว่าน่าดูมันจะเจ็บมันจะเสียวใช่ไถ้าถามว่าเจ็บไม่เสียงไหมลูกพ่อ้หไมันจะโผล่ไปเลยพอในเวลาเจ็บไช่ในโผล่หรือจะผาตัที่จะทอะไรที่มันเจ็บอยู่เตกตเลยงนมถืม่พาดเพาะเสียอารมณ์ถ้าบังเอิญมันตายเวลานั้นก็ดิพาแน่นอนถ้าไม่ตายเวลานั้นทีหลังถ้ามันจะตายอารมณ์นั้นมันจะงตมันจะไปนิพพาน อย่างก็ที่มื่ตอนที่หลวงพ่อเขาื่อว่าเป็นโรกอะไรก้าวที่านถอาที่หลวงพ่อป่วยจะจับก็กดแนบตึงอย่างน้ถ้ามันไปนต่เมื่อม่ป่เน้นไม่ได้ดีเวลามันปดจะจับเวลาลักแคกถ้มันใช่อารมณ์นี้มันคุยไรบ้านไม่ได้เลยปวดจัดมากหนักเหนักนั้งแต่หนักมันปวดนี่อย่างเงี้โรคภัยไขเจ็บถึงได้ไม่ไม่อยากตายนะมันก็ลงเลย กงมันลงนะถก็มันตัวจอิู่ในหมาหรกหมานี่ไม่ใช่โรกเกาต์นะพ่อ็นไทยรูกหมาอ๋อนเลียงเกาตทำาูกหมาใช่พี่จำภาษาไทยไม่ได้จำได้ภาษาจีนเลยเจ็ดสามอ๋อขับไปนเจ้าเป็นประโยชน์แหมก็ดีเลยเป็นประโยชน์มากนะเจ็ดไส้ได้โปรยทุกจ้าสบายก็เปิดแม่ไทยมาัวงนีแเราก็ เปิดแนบเฟียแทนแล้วเราไม่ส่งก่อเปิดแนบนี่ผมว่าจะตั้งใจเราจะแทงหวยจิตก็ได้หลายงวดแล้วก็บอเขามาสวงก่อเปิดแนบโสดไปหนนไหมไหนครับผมนเดไปไม่ได้ิายงดึงมาทีมีเราก็เปิดแนบไปวัดท่าสงไจ้โดมีวันีเลยขึ้นไปที่ันันเน่ือแม่เหครับ ก็ไปทุกวันอ้โหครับคดช้สูตรดีในสุดนัก็ลังว่าที่ข้างอยู่ก็คอยตอบยอยไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการคุยกันไปนะตอบผมไปคุยกันไปก็รว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นหนึ่งประเทเนี้ถ้าก้อยก็ี่หารอยปีหลวงพ่อร่วงรับหลักฐนไปแล้วนะวดีโอนี่ยังอยู่เทปยังอยู่ดั้งตือยังอยู่วัดทาซงยังอยู่มันมีประโยชน์หลายอย่างยึดนยังอยู่ พุวรร40คอยังอยู่หรอเปล่ไม่ได้สั่งให้ใซโอ้ทราบทราบเนี่ยไๆว่าเป็นเขาเก่นะต้องเกตว่าภาหาว่าเป็นคุยอย่างนี้นะผู้ฟังก็ไม่ค่อยงหนักถ้ายังแทแบบเดียวเออไม่ต้องงงแล้วเคาืข้อแล้วโอ้เราเริ่มอะรแล้วขอขออะไรก็ได้าต่มันอะรอะไร ขันนี้รถนะถ้าที่ลิกจะมาบัการการาบโดยอาศัยที่ลูกมีรถทัวร์อยู่ก็จะรับใช้หลวงพ่อแบบชนิดที่เรียกว่าศรัทธาเป็นอย่างยิ่งแต่นีิจาเพราะหตุิีจะศรัทธาแรงกล้าตอนนั้น <c oughs> มักจะมีเหตุแปลกๆเกิดขึ้นเสมอ <c oughs> มีอันที่จะต้องเสียเงินเป็นหลายๆหมื่นอยู่บ่อยๆไม่ทราบ ป, ประมาณจะลองดี หรือว่ากรรมเก่าจะตามมาหรือว่าศรัทธาที่ลูกทำไม่ถูกต้องขอบารมีหลวงพ่อโปรดประคับประองที่นัเพื่อเป็นกาลังใจให้แก่ลูกกระสันถเถิดเจ้าค่ะโอ้โหฮ่า่าฮ่าตทมนีจตอนนี้กำล <c oughs> ังเร่งจังนะชอบนอสนสมมไหมอ๋ <c oughs> อตกใจจังเลยก็ไม่มีอะไรเป็นกรรมเก่า๋อกรรมเก่าี้ดินะอับาเกาาเขาเวลาออกรทุกครั้ง จุดพูดบอกค น, นมุกก่งพรนะอกใจมรุนพรเลยแหละครับอ้ย้รกันเนโออย่างนี้นจะ ง, ง, ง่ายดีกว่า น, <อ>นะ อ, าอ ก, ก, กอ็เป็นันว่าจุดพูดบอกคนมรุนคุญพรนะอะหลวกพ่อเจ้าขาแหม่เนี่อะไรเว็บไวกันก็จะทันไม่ทันเดนเล่ามาแล้วอยากจะว่าเกี่ยวกับเรื่องํำข้าวทำพระอะไรเนี่ย เขาพูดมาไม่ใช่จะเข้าใจเอาข้าวพระเนี่ยข้าวพระข้าวอะไรเนี้ยใช่ไม่ใช่จำเป็นต้องไปหรอกซื้อต่อเที่ยงงองค์ห้าร้อยบาทก็ได้โอ้จะไปเลยจะไปเลยเรื่องดีนี้มันจะเล่าฟังน้ะฮะเมื่อสมัยหลวงพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านทำข้าวไว้องค์หนึ่งเตข้าวสามเดือนเนี่ยอาจารยจะว่าทาไหนอร่อยมากท่านนั้นไม่กินเออพอจุด ก็ว่าตรับที่แถนี้เราบริจาคกันเลยว่าคาแรกยังไม่ต้อจินข้าากับข้าที่ดีสุดๆต้กตอเจ็ดเจ็ดนะสามตันก็ทำจริงๆสี่เดือนโอ้นะไป็หนก็ทำหมายความว่าถ้าเราเอางมาที่นี่ย่ก่อนจะจิก็ต้องทำเด็กไว้ก่อนเพราะคาว่าสี่เดือนสามเดือนนี่จะขาดตัววันนึงไม่ได้เลยอต้องสี่ต้องสองใช่ละ ก็จะผลจริงๆที่เคยปรากฏนะกลับไปยังไงครับจริงพระพันวันทำรู้ไหมกลับจัดทำแล้วท่านก็ทำลงโถงและชนม์วแล้วก็สร้างเป็นวัตรุษด้ที่บูชาที่พระสนณบรกับจาดเวลาหลวงพ่อท่านมาอยู่ท่านก็ไม่แค่กับข้าไปกินนะท่านก็ไปบูชาพระองค์มันขอพระใหญ่มาเลยโอ้โหี่จริงนะครับกบ มาวันหนึ่งก็ได้สัจจันมากเป็นยังไงคับหลวงพ่อวันน้รือว่าหลวงพ่อไปเขาเพื่อสัจจันทีนี้จะถึงจะไปยังของพระองโรงงานต่อไปโยนจับนแล้วก็นำแกงมาสามหม้อหม้อใหญ่ๆมากโอ้พระเจ้าแล้วจุดว่าเขาไปถึงหน้าวัดท่านมือชาจนซึนเนี่ยนะโอ้ท่านอดนะข้าวมันก็มีอยูไม่เยอ่าแล้วก็ใส่รู้ ตะเกียงขึมาถึงมาถึงจอดเรือจับถาว่อยู่หมเขาบอกไม่อยู่ไปเขากลับมากันแค่ถอยหลังเดี i วเลยอาแาขนั้นมม่ลูกโตใหญ่ันฉันเดียวโอ้ลก็เป็นะยอยหลังไปสักนิดเดียวไปจับปันซึ่งไม่มันไม่ถืต่อเนี่ยไปจับครับฉันเยหสามวันโอ้แล้วไปจัหาเราก็ไปช่วยตอเแ อหลวงพ่อปกลับมากระโงเขามาไล่ตา่งบอก่าผมเอาอาหารมาสบายที่บ้านพ่อยังอยู่พอ่อมนอยู่พ่อบอกเขามาอยู่ผู้เลยหลังจากเกของหายจักบ้านแต่ใบจักไม่รู้ว่าฟันอะไรหักทุกขวพ่อปันบอที่นั่นไม่มี่อนะว่าถ้าไม่มี่อแล้วไถ่ายทำไมยืดหัดก็เลยบอกว่าใครัะพาไบจากรก็ค่ะในเมื่อมาถึงวัดแล้วนะไปสมไยอ่ะ ไอคนจะเป็นมหาเุรษฐีถอยหลังไม่ต้องการความมหัทจรรยมีที่ไหนเจนิญได้ช่วยนะช่วยใครไม oui, ่ช่วยฉันแต่สามเอาเลอเลยนะโอ้มันข้างนนี้ดีให่จริงจริงแกงไม่จับที่ต้องไปจากมหาปก็สุทธิไม่มีโอกาสเลยนะไม่มีโอกาสดีแล้วรอทำพิษตากบุ้งเลยนี่เป็นเพาอนุภาพที่ว่า ทำข้าวเสีมาบอกว่าจะทำข้าวนั่งอางนี้โอทีนี่เป็นเทวดาย n ดยั้งมเวามว่าพรกปไม่อยู่ข้าอยู่แล้วองคเป็นสังฆทานนะสาธุองสังฆานเทวดาเขจยัยั้งจะไว้บุญใหญ่จะเป็นอยู่นั่นนันจะเรียกว่าสู่นะแต่ทีเขาบอกงอ่าทำรจะทาท่านจะได้เป็นไงม่งเี่ทำการท่านแต่ว่าที่ทำตามท่านเขาสำเร็จทำไสั่งท ทำไมทำมาารแล้วนะครับให้ทก็แล้วกันอจคุณยใหญ่โอ้โหันหนักใจดิกใจเรื่องอะไรครับว่าข้าพึงอหาไเลันจะเลสไปเจังหมดเลยอโหนี่หนักใจงกใช่อว่าไมี totally ี่ก ครับหรือปราธนาคารด้ยส่วนอ่าเอาผู้สูงว่าจลงเงินเท่าไหร่ปอยจะเหลือก็เป็นกระส่าถึงปอยได้ลงหรือเปล่ารับถ้าถ้าไม่มีใครเอามา่วเหลือโอ้งินากพระไ้ไม่ยืต้องไปถามรลัดมีหลัแกอออปหลดเป็นครูเรื่องนะเป็นคนจัดทอีเราต้องติดถึงคนที่ปลดีลไว้ก็บาขอ้กง ก็เป็นงานว่าไปในงานนี้ดูพ่อครับวัที่ไปในงานนี้มีโอกาสได้ได้ได้รับทรย์รือเปล่าเพ่อรไอ้วี่าหลงมีหรือเปล่าหลมีหรือเปล่าหลงมีแล้วอ๋อจะอยู่ที่ราชเชสได้ในย้อนสามอะไรกันลาไราบน้ดหน่อยว่าให้สามลักกันสิอ๋อมแล้วเนี่อไปเรียกปลาดเลยงงเลยอ๋อประหลัดไม่ต้องในะ บอกลว่าพากันไปคิดคา5ได้เหรอคิดคาได้ก็คือาได้แล้วเยอะเยอะคุณนี่ไปก่อนได้หรเปลนาคุณจะว่างั้นี่ก็อได้ก็พี่าแล้วครับพูดช้าไปออกไปแล้วพูดเลยเรื่องเลยไม่ได้อะไรแบบนั้น เสียดายเสียย้มืเน อ, อนี้เนีจะมุ<น>ะ<ส>่ถึงเลยแ่จริงๆริอแ่จริง่อ่ะเป็นอันว่าวันที่1ิาก็เรียบร้อยแล้วได้นะดังนั้นสมก็ไม่บอกว่าถ้าไปค้างแล้วจะได้ลหลายๆอย่างนะตกลงว่าไปกันเจ้าระดับขอบพระคุณในเรื่องนี้อต่อไปเลย อันนั้นประการานกราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงถ้ากระผมมีโอกาสไปที่วัดสวอนยูเวสที่เคาหลอกพระกันก็ปลาสดว่าเห็นเศษทองเหลืองบ้างทองแดงที่หล่นและเก็ละกาดเกิดจตจาก็เลยเอามาบูชาที่บ้านพอมาฟังคําสอนของหลวงพ่อเกิดความไม่สบายใจว่าในอาการที่กระผมไปเอาของจากวัดมาอย่างนี้ไม่ทราบก็จะเป็น ถ้าเป็นการขโมยของสงฆรืเป ล, ล่าไม่รับอนุญาตย่ถวายสงฆ์นห้สงอยาไ้ยาลอกยาไม่ <laughs> เทียวไคนเดียวยาไม่ <laughs> เออหนักใจแล้วแล้วทีนี้ก็ไปซื้องเรองบางบูชานี่นานาาบาชายไม่เสียหายกับไปซื้อแล้วกันถ้าอยากจะได้จริงก็ไปติดต่อพระขอซื้อท่าน เราทำขิงมือที่มามาทำตัวไหนที่ของรัดเลยเล็กเล็กหน่อยๆเราไม่ได้เลยเนาะของสูงมันไม่มีสติเวลาทำเป็นรองสูงก็จะขึ้นประตันล้วไปสวัสดีที่สี่ที่ห้าตัวเมื่อของสูงขึ้นประตันลงมาเลยทีให้เยอะสูที่ตกลงว่าทางที่ดีก็ควรจะไปคืน เอาเอาก็ห่อไปหอไปนะไปบอกข้าท่านหลวเจ็ดเสด็จแทนมังมอนี้นะครับจะขออยากจะเจริญพระบูชาจริญร่ชาเท่าไร่อ้ข้าบอกไม่ต้องไม่ต้องเอาเปไม่ไม่ต้องถ้าต้องก็ต้องัอย่างนี้ก็ต้องไปเลืกรักแก่ๆที่ใจดีนะใครชาก็หอเดียววัตถายถ้าทงไม่ดีนะพระท่านดูดีมากยิ่งเสมอโอ้โหต้อยถึงว่าไม่ใช่การอุทิศพพาน่ครับ ออนี่เองผมเล็กันที่บอกว่าถ้าปิ้งต่างผมจะเอาไปหลอกพระปเจรงุงปู่ปานนี่งก่อนไปถามเจ้ของที่แลวคนโ้ไม่ได้เลยมันจะเป็นบุญบาปก็เป็นบาปครับไปแย่ทำไมสัมมาอย่างไรก็สัมไปอย่างนั้น<อ>จะได้หมดเดาารือ่องไปลาเ้าหลวงพ่อจะรบรักอย่างสูงัแน่ น, แนี่ก็รบรักไปด้วยดีจะเป็นผู้ชายนะ้วหมดเลาะไปผู้หญิงก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ไอ้พระแก่เ m าไม่รับแบบกามรมย์ของเขาับแบบให้ขงเป็นลูกหนลูกเหมือนหลานไม่เหมืนลูก a ู้ใหญ่ใจใหญ่แล้วโอไม่ได้จะได้บ้าขอเรียนถามนิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องาสังสีของราบเมื่อเราเลวนี่เองไม่ทราบว่าลูกจะเอาไว้ตอนใตตอนกลางตอนหวหรือเอาไว้ตอนไหนดีแล้วก็ ถ้าใช้คำนี้แล้วลูกจะมีผลเพิ่มเติมจากคาถาเดิมๆเดิมมากน้อยเพียงไรขนาดก็มไม่รู้เหมือนกันขึ้นหน้าขึ้นอนนี้างทีเลยแล้วก็คมาตอบโยมมาจะมาหาโลกาะไรนะท่านบอกเสิมมา<อ>ท่ทีหลังถ้าบทีหลังต้องอยู่หน้าขับัตองมาพิแล้วผมจะเลือกเอง ก็เป็นนันว่านาแสงสิโมขึ้นต้นต่อแล้วก็ต่อกระถางล้านนะครับใช่ใช่รับาหลวงพ่อเจ้าขาเหรียนทำน้ำมนต์ของหลวงพ่อปลาดมากเพราะอย่างนี้ลูกเป็นลูกพลมานมานานแล้วหนึ่งเป็นโรคมะเร็งสองเป็นโลกประสาทสามเป็นโลกอื่นๆแทกเยอะ ลูกก็เลยมือไวมาสื่อเสียใจครับว่านอกชักจังแต่วันนี้ผมก็เป็นด้วยครับผม้วโดนก็เฟรชไม่ใดังนั้นลูกก็เลยเอาเหรียญหลวงพ่อไปใส่ในขันแล้วก็ลองทําพิธีอาราธนาดูก็ปรากฏว่าอย่างดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อดืน้ํามนต์แล้วจะมีอาการสั่นหนาวกระทั้นเหมือนจะคล้ากระดูกจะงอกอจะออกมารอกหนังอย่างนั้นแหละคัะ ยืดเต่าขอเต่านี่ก็ดูุจงอาอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ที่ประหลาดใจก็คือว่าเมื่ออาการต่างๆหายเงียบสงบอยู่แล้วปรากฏว่ามะเร็งหายระบาดหายโรคต่างๆหายไปหมดลูกก็เลยสงสัยอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โรคต่างๆหายไปนั้นเป็นเพราะว่า เจ้ากามนายเวรท่านเปลีนใจเหรียญน้ำมนต์หลวงพ่อหรือเปล่าเจาคะไม่้กันเหรียน้ำมนต์หาก็แล้วกันไม่ต้องถามต่อครับรบเรื่องของเราเลยนะแตขนาดมะเร็งหายนี่น่าดูนะใช้ใช่อก็มะเร็งหายเรามาลงมาสิไม่ใช่มาลงมาสไม่ท่านจะไม่เหลายกร่าเรื่องนั้นนะออเขาแม่เขาแม่อุตส่าห์ใจเขแม่ละขอให้ที่กาลังใจด้วยที่กาลังใจนะอือแล้ของโมสนา ผมชายยิงตัวตายโอ๊ยตายเยอะๆยิงแไม่บอกนางกระคุณไม่อยู่เปล่ายิงแฉะเอ้ยผูชายอยู่เปล่าผูชายยิงตัวตายโอ้โไม่ได้เลยนะเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันต้องดูที่ยังมาให้เที่ยวร้านนี้มานะหน้าเบ๊หน้ารูปีมาอาจจะเป็นชายแท้เบ๊ก็ได้แต่ชายนี่ตายยาก แกตลอดตัวอ่าคือว่าอย่างนี้แกได้ตายด้วยอุบัติเหตุแต่ที่ลูกจะถามก็คืออย่างนี้ได้ทําบุญทั้งทุกส่ทุกอย่างแล้วก็ทิศจอดทรงตามที่หลวพ่อแนะนําทุกอย่างทุกประการอาจจะรับหรือไม่ไม่สนใจแต่ที่จะถามคือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรเพื่อเป็นการสงเคราะห์แกเพราะรักและที่ถึงแกมากเจ้าค่ะ อยากจะเพิ่มเติมอยากกัเพิ่มขันพรานทำแล้วละทำละอยากกัเพิ่มทำไมจะเพิ่มเราไม่จะอลไรกันเองนะอะไรประานถึงล้านบาทไม่น่าจะถามเลยตอนนี้เจ้สมชายเไม่เป็นไรนะโอ้เจ้ารมชายก็จะขอปัญหายกมือทีที่รักีสามอ่ะคนที่ได้การรักีสาม t จอยากจะรู้ว่าลูกร่องเขาเปยังไงขนไมานไสอยู่ดเาพีหลายตายครับตอนนี้มันอยู่ในงนไสอยู่ใช่เป็นอะกไม่ตกันนะทราบทราบแค่ไม่ตรบุเอ๊งพ่อธรรมดาบูราบอกกบี่ตายหงษิงตัวตายฆ่าตัวตายกินยาตายตกไดตายนี่เาบอกว่าจะต้องตกนรกทุกคนอ๊ไม่ใเสมอไปครับเพราะักรรม่ ถ้าเวลาจะตายจิตใจเศ้าโงงอารมณ์อารมณ์ใบจะฟูถ้าตอนจะตายจิตใจผ่องใสเศร้าเอนขนาดที่ก่อนจะตายพวกก็จนตายนะจิตใจก็ไม่ถึงขั้นไม่คุ้มมือย่างไรฉะนั้นตอนเช้าจะที่แนะนํคืออย่างไรตอนเช้าึมื่อไปสอนอารมณ์มันจะสรงตัวมันกำลังลดแต่จิตใจอยู่อย่างดีโอ้ปีนั่มาตะกี้คว่าเป็นเกาะตั้งแต่ล่วงหน้าเลยทั้งวันเลยทุ่เลยรลบ พระเช้าหลวงพ่อจิตกรลบลูกมีความทุกข์ระพมสมใจมาเป็นเวลานานแล้วกล่าวคือว่าได้ถวายสันตท า, านเพื่ อ, อที่จะไปบอกให้แกนายสงการผู้แดงอับรถคนตายอีกแล้วอคือว่าไม่เห็นแกมาบอกว่ารับหรือไม่รับเลยไม่ทราบว่ า, จ, าจะทําอย่างไรดี ข, อ, ขอให้หลวงพ่อช่วยทีนะได้เสเด็จกลังโดยมือผู้สวยจังจิตสมาธิติดต่อโดยใอ้ที่เรียก ว, ว่ามโนปยสีจะไดอ่าได้ การรจะพูดตนเองขายคนเาอย่างนั้นความจริงเขารับแล้วเรเวลาเขามหาเราไม่รู้เขามาแดงตัวเราก็ไม่เห็นเขาพูดเราก็จะยิ้มเขาก็จะเชาที่จริงตัวเองไม่ดีตดีที่ดูดีข้างเราท่ดูดข้างเราฉนก็คือไม่เห็นใจเพื่อครับ อาซาลาองค์พ่อทีเคารพอย่างสูงเมื่อเดือนที่แล้วลูกมีโอ ก, กาสเดินทางไปจังหวัดเชียงรายไปพบพระองค์หนึ่งที่อาสมประดาบทาาท่านมีลักษณะคล้ายคลึงกับอะไรอาหลวงอานันทำไมหโดนนะนนันนะหลวงอานัน์ปนะ็อย่างมากแล้วสถานที่แห่ง น, นั้นมีพระแก้วมรกตด้วยและมีต้นพระสีมหาโพ์ด้วยที่ลูกจะกราบเรียนสารก็คือว่า ลักษณะอาการคล้ายๆลซึงกับท่านอนันต์มากอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์นี้คงจะมีบุญชาติศาสนาบารามีเหมือนกับในหลวงหรือเล่าใช่ไหมครับไม่เหมือนก็ไม่เหมือนนะครับถ้าเหมือนก็ต้องเป็นในหลวงโอ้แหมต้องเหมือนกันนะจริงๆนะถ้าเหมือนกันก็ต้องเป็นพระเจ้าเป็นมี อที่ไม่เป็นเจ้าแผ่นดินก็เพราะว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเข้าใจต่ อ, อ <laughs> นี่เรื่องนี้ดูคนมาเล่าบ่อยนะใช่หาว่าอย่างงั้นอย่างนี้ก็ไปไนไั่งเลยนี่อืมไม่ใช่กันแล้วกันนะเพราะมันไม่ใช่เจ้าแผ่นดินหลวงพ่อเจา้าขาลูกนี้ลูกชายอยู่หนึ่งคนยังพูดไม่ได้เลยหมอว่าเป็นโรคทางสมองหาละลายองค์แล้วรักษาไม่หายบนก็จะถวายลูก ให้เป so, ็นลูกหลวงพ่อโสธรปรากฏผลก็ค so, mm ือ hmm. ว่าเหมือนเดิมลูกก so, ็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ว่าถ้าหากว่าเอามาถวายหลวงพ่อแล้วคงจะพูดเก่งเหมือหลวงพ่อเป็นแน่เปแน่หลวงพ่อจะขาถ้าจะมาถวายจริงจริงหลวงพ่อคิดว่าจะต้องนําอะไรอะไรมาเป็นพิธีกรรบ้างจุดขาไม่ต้องไม่เอาอะไรเลยหรือครับให้นมาเองอาเรื่อเล็กเกินจะใครครับหลวงพ่อครับท่านดาบแปรปัดหาสัจจังไว้ก้อนหนึ่งเป็นข้ารถ ข้ารงใครหลวงพ่อหรือเขาไม่ใช่เขาข้ารถน้ำเด็กมานำเด็กมาไอ้งบอกว่าถวายเป็นลูกไอ้ขถวายแล้วพูดได้ไม่ได้ไม่รู้โอ้ยรับรองอย่างนี้เลยเหรอครับไม่ใช่อะรนักวิชตไม่ใช่อะไรใหมแล้วอะไเรื่องกฏธราิอะเอาวี้ดีกว่าบอพ่อสีคงดีงี้กว่าโอ้ยใช่ใช่ครับ เออมีอะไรก็ไปบนหลวงพ่อสี่องค์ว <c Mormon> mhm ่า <c> ท <Nurs uth ung> ่าุนนะเอออันนี้ดีก <transformer> ว่าแต่ท่านี้เปิดปากนะกรากนี่ผมผมก็เห็ด้วยเห็นด้วยครับอ่าบ็อกเตอร์จิตวัชรศิษฐิอ้าวตายเหรอโอที่ส่วนส่วนนั้นผมจะพบกอนตรงนี้คนไม่ประหันนะอ้าวขอฝันนิดเดงยาซาหลวงพ่อจะกรรโอย่างสูงกล่าวกระหม่อมฝันเห็นคนทรงลักษณะเป็นพญายมงปุ๊มาาด อะ้รนะลักษณะเป็นพยายมลงพุทธมาลาดท่านพุทธก็ไม่พุ ท, พที่ยายมก็พยาลมนะเอาพุทธพยาลมมาลาดเลยกันนะอท่านแล้บอกที่หน้ามาที่ผมบอกว่าเองจะหมดตัวเองจะหมดตัวเมื่อเธอที่มาแล้วเกิดความไม่สบายใจเปนอย่างมากเธ<อ>มาการาบจิเรียนถามพุทธหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีวิธีจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรขอที่โปรดที่แนะด้วยเถิดขอรับ เอาน่ายกว่ายังไงครับจุกรรมฐานไปหาท่านโดยตรงความจำนี่มันไม่แน่นอนนักนะอ้อวามจำนี่ก็าบอกันพระประเทศหรือยิ่หอนก็ตรงไปส่งมาครับคู่ครองจำเลิกไใช้ไม่ได้จะไปยิ่งุญวันก็ใช้ไม่ได้ตอนท้งยามไปใช้ไม่ได้อจุกรรมฐานอจุดกรรมฐานมันจะกว่า ถ้ามังเออนี่เขาทำแล้วท่านบอกว่ามันมีกฎข่มกังก์กระถางแว่ามีทางใดเม่อไหร่ที่จะหลุดเรื่องรี้จะแท้นดูีว่าถ้ามันมีทางแล้วเขาทำได้เรียกว่าไปสายตรงเลยไปสายท่านดูดีกว่าแล้พ่อจะสอลูกก็ไม่เชื่อแล้วแต่ก็ไม่ไว้ใจใช่เา ไม่เชื่อจะไม่ไายใจอาก็แสดมว่าเชื่อแน่แพี่หมอดูเขาถ่ายว่าลูกจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในฐานะที่ลูกเป็นลูกหลวงพ่อนับถือลวงพ่อลูกไม่ยอมเชื่อเลยแต่ให้ได้ใชไแต่เหตุการณ์ที่เ็าายที่เดยวพระป๊ะเป๊ะเป๊ะป๊ะ๊ะดเเราก็ไม่เชื่อ อ้ไม่เชื่อไม่อยากไม่เชื่อเลยยังให้ไปยังไงก็ไม่เชื่อใช่เราไม่เชื่ออือเพราะแปลกมาแล้วแน้วก็หมอเดินี่เขาเก่งๆนะตรงนะให้ชวนเรียนไปตามหมอเดินโอ้ยมันเหถูกรบกหน่อยิครับแมใครก็มาเจอรยนจะรู้ทุกอย่างไหมอ่ะอ ก็เป็นบางอย่างก็กระรับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเห็นหน้ามันก็เปล่นใสแต่เขาอยู่ในอยาจะมือมัมองไม่เห็นอแกเือาเาใลงเลยนะเออเรื่อับไเหมอูที่ว่ามนไม่เคยเรียนมันไม่ผลจริงองถ้าหมอูต้องเชื่อรานาบถ้าหมอูเรางงาบราเาง ได้ได้แต่ที่ผต้องเรียนถามก็คือว่าในเมว่าเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วก็หลวงพ่อมีคำแนะนำอย่างไรเช่นทำบุญให้ทานรักษาสิ่งเจริญภาวนาเพื่อฉันไม่ให้หาจข้อศอกนี้ตรงนี้อะไรแล้วก็เดี๋ยก็อะไรนีก็อะไรเนี่ยนะเขามีการแก้บนทุกวันที่วัดมาตจมันใจไกลนะแก้บนเยอะคือทางท่านุีผล อ่างนั้นก็ใครรูกร้อนเดือดร้อนอะไรอะไรนะก็พ อ, อได้โกรดไปที่พระสี่องค์เถิดเวาแค่แค่จะบนก็ไปอ่านดูก่อนมันก็เขียนดวสี่ข้อให้เรข้อตรงนะไม่ต้องมีนเิเจลละครไม่ต้องมีอะไรจมูออมจจมกกับสาวสาก็ไม่มีใครจำเป็นต้องเปลี่ยนนะสาวสาวอย่างบางบางคนมีนะเขาสะดวกกับหล่อ น, อนนะ คืก็ดูแล้วก็ขอเงนด้อย่างนี้ว่าถ้าเรื่องนี้สาเร็จได้จะฝากลงพ่อแก้ไปที่คือไม่ต่อไปเองนะครับห่อไปก็ได้ครับแก้่อเยแยสอนแก้ไหมครับหมก็น้าจะแม่ตาหน่อยก็ลง่อจะเเคือหน้าคนเนี้อ๋อควลแวเลยแเรื่อยนี้มันไได้แต่ต้องเวลาบนต้องผี่เห้เรียบร้อยหลวงพ่ก็งไม่เป็นไรทนดีเมืองก็ได้แต่ว่า อย่จอดจองว่าจะต้องมาถวายที่ตรงนั้นคนถ้าช่วยท้าช่วยเยอะได้การนี้จะขอถวายอย่างนี้แล้วเลมาแก่ที่น่ได้จอจองามพูดต้องไปที่นั่จแไม่ได้อย่างนั้นก่อจะบนก็เทาครอบเขหน่อยนะส่วนถ้าเวลาจะบ่นก็หมายว่าตัวตัเวลาจะแก้ทีไรก็เอเราพูอะไรอ่บ้างน้องนี่เยอะเลยเคยไปถามพอมี้อ่ะมี หลวงพ่อเองคะดูเพื beer say beer say beer say beer ่อดูด้วยแช้บนอะไรด้ย um ิ่งยิ่งหนักกว่านั่นจนไม่รู้ผมไม่ใช่เพาะที่ออกมาบน้าสไลน์ไม่รองค์กรมที่ไหนบ้างมีหนักมีหักมีหลายรายการจะหาควาได้การสอนบนก็ให้เราขอก่อนนะอ่าทีนี้ก็บอกว่าลวงปาเช้าหลวงพ่อจะรับอย่างสูงยิ่งเพราะว่าที่บ้านขระลูกมีทุกอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเทพทุกอะไร เทวะอะไร ต, าตา่างๆมีคนเขาบอกว่าเออลองเอาเอเอจ้าแม่คอนอิมไปดูพาบ้างตาทำให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วลูกก็เลยซื้อมาจากอะไรวัดราชนัดดาเมื่อนำมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนดีจะตั้งกับพระพุทธก็เห็นก็เป็นผู้หญิงจะซื้อโต๊ะใหม่จะต้องจตางก็ไม่มี ขอให้หลวงพ่อช mm ่ว hmm. ย oh, oh, oh ี <S <S so nice yeah. right. right. the the ่แนะวิธีต right ั rock. ้งครั้งเถิดเจ้าข่าไม่ต้องตั้งห้อยก็ได้ผมใหญ่ห้ได้หรอได้ห้อยเอาไว้ก็ต่อไปดีขึ้นเลยตั้งตัวเล็กเล็กมาเล้กเล็ตั้งนะตัวพุทธโูกตั้งให้ต่ำกว่าโอ้ต่ำถึงวันลอยท่านตํากว่าไม่เป็นไรนะโอ้ว่าท่านกินอิ่จริงจริงเดินจริงโอ้ควรนะไม่ได้คอนเหรอครไ นี oh. oh. oh. ่เก oh. ็บรอินอ้างไม่ใช wow oh. ่อม oh. ่ได้จะคนสนตระลมการยูไม่เล่าสาวโอ้วันั้นที่เราโอ้ฉันกม่เหลือทีก็บกันเลฟังกตออินงเมมึงกบริจาค ศาสนาเป็นพระโพธิสัตั้งแต่สมัยยังเป็นผูหญิง้วต่อมามนานเข้าใกล้จะลกอสุเสสมาดโรยานเอาแค่ก็ไล้นะเอาไปบารมีเริ่มดีไปว่าบารมีก็ขอลาพุทธภูมิออารมีเดียรหไมได า, าแล้วลแล้วหรอครับเนี่ยมาแล้วยังนี้ยัง้ก็ตเรียกท่าวนวะน อ, อิมนะก็หมือนกันนะสมกันหมดเป็นอรหันตกจะเล่นนะใ ก็ขอบขระคุณที่ถามมาแล้วก็ตอบไปอันนี้เดี๋ยวนี้เดียวถือได้เวลาแล้วน ะ, ะลวงพ่อเจา้าขาลูกนับถือลุงพ่อมาเป็นเวลานานแล้วไม่อยากรบกวนเพราะลุงพ่อไม่สบายแต่จำเป็นจริงๆวันนี้ก็ข อ, อนิดเดียวมีขนาดไม่อยากไหมครับ